ก็พิว่าเรียนเหมือนกันพระตับอกแล้วจะสนยังไงเสียเวลาทั้งผู้บอกเสียเวลาทั้งผู้จะปฏิบัติตามหรือมาอย่างนั้นเขาค้ายๆครับว่าเรือเริ่มโตโตมันจินน้มลึกอยู่เราคนเดียวจะไปเข็นเรือขึ้นมาหามาให้มันเกยหาดมันก็ไม่มามันเป็นคำถามที่ตื้นไม่มีประโยชน์แกผู้ต่อ ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยแล้วคนนั้นก็ถามประชดด้วยด้วยโทรสะพระองค์ก็าไม่เอาให้ฟักดักบคาดาเลยเขีดเลยว่างแห่งเขามาถามอะไรท่านก็ตอบได้พอะบรมศาลาเขาถามพระบรมศาลาพระบรมศาลาเป็น่องไว้หรือไม่ใครมาถามอะไรทําไมตอบได้ง่ายแท้ชายคนนั้นก็ทํารถอยู่ พระบรมศาสดาเออเออหยุุดุ ด, ด, ดเดี๋ยวเราจะถามคุณอัน่นี้งเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเพลามันครับนี่อะไรเขาเรียกว่ากงมันครับคุณได้เราและท่องไว้หรือไม่ทํำไมถึงตอบง่ายจ้ะเพราะชํานาญพระเจ้าค่ะแต่ขาโคตก็อันเดียวกันก็เพราะชํานาญนั่นเอง <c oughs> พระบรมศาสดาชายคนหนึ่งเข้ามาหาพระบรมศาสดานี่ พูดแต่สูงมาหาต่ำเยลยถ้าว่าเรามาศาสนากับผมนี่เป็นนักกีฬาตลอดถึงมหอและยศพใดถ้าเขาไม่ได้กับผมไปในงานนั้นเขาก็เสียใจกันบางงานกับผลผมทําให้คนร่าเริงถึงร้องไห้ก็มีถึงหัวเราะก็มีเขาแก้กี่อาจารย์ว่าการทําคนให้ร่าเริงบันเทิงใจในมหอและยศพ ไ ด, ไ, ด ไ, ดได้ได้ได้บุญไปสวรรค์ข้อนี้มันถูกหรือไม่พระเจ้าค่ะถามขั้งที่หนึ่งพระบรมศาสดาก็ไม่ตอบขั้งที่สองพระบรมศาสดาก็ไม่ตอบขั้งที่สามก็เลยตอบโอ้เธอตายแล้วจะไปตกมหาวิธีายนรกชื่อสราชิตสราชิตก็คือมหาวิธีายนรกนั่นเองเพราะเธอ ก็มีกา ม, มาลมเต็มตัวอยู่แล้วเธอไปเป็นศาสดากรามมารมให้เขาเพิดเพินจนหลงถิมถ่มถิ่นหลงทำเธอเป็นศาสดาเขาทางกา ม, มาลมเธอก็อต้องตายแล้วไปตกนรกซื่อว่าสรชิตคือมหาวิเชียรรกนั่นเองเออถ้าอย่างนั้นก็ผมก็ถูกต้มมานานหลายปีแล้วไปเจ้าคาะ ร้องให้เลยเพราะเกศี่อาจารย์มากโกหกกับผมว่าทําคนให้ร่าเริงบันเถืงในมหาสมบัติใดๆตายแล้วจะไปฌานเกศี่อาจารย์ต้มกับผมก็จะกล้านี่เสียใจมากนั่นแหละถามขั้นที่หนึ่งสถาทคตยังไม่ตอบถามขั้นที่สองสถาทคตก็ไม่ตอบถ้าต้องการทราบจริงๆถามขั้งที่สามสถาทคตจึงตอบอย่างนี้แหละเพราะเก่งจะเสียใจ เออถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่เป็นโทษบาปหนักอะไรมากเกินไปกับมังถ้ากลับตัวเชื้อใหม่เล้วาจะดีไหมพระเจ้าค่ะเออดีถ้าอย่างนั้นกับผมจะมาบวช ด, ด้วยพอมาบวชแล้วก็ไม่ช่าไม่นานก็สมเร็จพราห น, นะคนหนึ่งเข้ามาเอกว่าเนอะวันวา น, นี้กระผมฆ่าแพะสองตัวเรื่องคนให้อิมน้ำชำรญเพื่ออุทิศบุญหาพิดามาร ของกับผมกุศลผลบุญมันจะไปถึงวิดามานันดาของกับผมหรือไม่เพราะแกก่อาจารบอกว่ า, วาการทำให้คนกินกินอิ่มน้ำสำราญ น, นี่ได้บุญมากจะได้ไปสวรรค์ถามครังที่หนึ่งไม่ต่อครั้งที่สองก็ไม่อันเดียวกันครั้งที่สามจึงต่อเออเจ้าตายไปเจ้าจะได้ไปตกมหาวิชีนะครับเท่าผลแพ เหลือออกจากนั่นมาก็จะเป็นเปรตออกจากเปรตมาก็จะเป็นสัตว์ที่รักราชานถูกเ ข, าข้าฆ่าทุกภพทุกชาถูกตายโหงแล้วเหลือจากสัตว์ที่รั ก, กชานมากว่าจะได้เป็นมนุษย์ก็จําเป็นต้องมนุษย์ถูกเข้าฆ่าเลยไม่ได้วัฒ น, านาภาพด้วยโรคชาถูกเข้าฆ่าทุกชาติทุกภจนถึงห้าร้อยชาติจนจนถึงเท่าขนแพะร้องให้ทีนี้ โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ถูกต้มตุ๋นมานานแล้วพระเจ้าข้าเจกิอาการพูดอย่างนั้นการทําให้คนอิ่มน้ำสําราไปสวรรค์ก็อิ่มน้ำสําราญก็หมายถึงความมาบอุ่สุดถ้าฆ่าเขามาเป็นประโยชน์ของตัวเอาชีวิตเขามาเป็นความสุขของตัวความสุขของตัวจะมาจากประตูไหนถ้าอย่างนั้นปรานาติบาแล้วก็ไม่ได้ห้ามละแล้วก็ปล่อยให้ฆ่า ผู้ใดบวชมาแล้วก็ต้องแต่งอาวุธให้นี่อาวุธของเธอนี่ศาสตราของเธอไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่บาทของเธอนี่กีวรของเธอนี่สบงของเธออันตรวาสกูไม่ได้บอกว่านี่อาวุธยุทธภัณฑ์ของเธอสําหรับไปฆ่าก้าพุทจะาบวช ด, ด้วยจะเป็นยังไงอ๋อบวชก็บวชสักแม่นานก็สําเร็จพระหารนนะศาสนาพุทธ เป็นชั้นเทพของศาสนาใดๆ ใ, ในโลกทั้งสิ้นเราเลื่อมใสพระโคดมก็ถ ก, กับว่าเลื่อมใสพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะเป็นคําสอนอันเดียวกันนางท่านพูดว่าพระโสดาบันในศาสนาไหนก็ต้องสําเร็จนักผลนผิพพานในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่ได้ผู้ใดเป็นพระอนาคามี ในศาสนาพระเจ้าองค์ไหนก็ต้องเป็นพระทหารในศาสนาพระเจ้าองค์นั้นจะไปเป็นศาสตร์เป็นพระทหารในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์อื่ น, นไม่ถูกบางท่านเราไม่ลงอันนี้ครูอาจารย์บางท่านเราไม่ลงเลยอันนี้ อ, อ้าถ้าอย่างนั้นผู้เรียนปฐมหนึ่งปฐมสองกับครูอาจารย์องค์ไหนก็ต้องเรียนให้ถึงมาทยมแปดหรือปวชในอาจารย์นั้นสิ อย่าไปรเรียนอาจารย์อื่นอีกนะมารดาของพระบรมศาสด า, า, า, าเป็นพระโสดาบันเอกกับพิชชีอยู่ชั้นดุสิตเดี๋ยวนี่แต่พระพุทธศาสน า, าของเราล่วงมานี่คงมายังไม่ถึงหกเดือนในชั้นนี้จะได้ลงไปเกิดเมืองพาราณสีเมืองพาราณสีจะได้เป็นเมืองกุตุมมาวดี จะได้ตัดสรุปไม่กากระทิงจะไปเป็นมารดาของพระศรีเมตไตรเสกกรเนี่ยแต่เป็นพระโสดาบันแล้ ว, ลวเดี๋ยวนี้พระเป็นพระโสดาบันกับพระโคตมะได้เป็นมารดาของพระเจ้าคุกูสันโทมาแล้วโกนาคมโนมาแล้วกัจโปมาแล้วโคตมโมก็เป็นมาแล้วยังเสียเมตโตตโยพระปัตถนาเป็นมารดาของพุทธเจ้าห้าพระองค์ตั้งแต่ขั้งกาเผือกชาดกกร ตาผันี่เดียวอ่าขราสรบันแผนนี่เดียว่ะเอกวิเศษเกิดชาติเดียวจะได้เกิดอีกชาตินี้ก็เป็นมารดาเราภาษีเมียตายเราก็เข้าสู่พระเนี่ยานถึงพ่พอแ ม, ม่ภาษีเมียตายแล้วนี่ครับทีนี้พระบรมศาสดาไปพักอยู่ที่ป่าปามหาวันพวกสุทธาวาสลงมาหาสีองค์บางทีพระบรมศาสดาก็ไปสังสรรค์กับสุทธาวาสอยู่ ท่านมาอยู่นี่แต่ข้างไหนเออแต่ข้างพระเจ้ากัตตปะบางองค์พระนาคาเนี่เพราะละการมารมแล้วก็จะมาอยู่ที่นี่พระเจ้าข้าถามทําไมถามเพื่อทําเป็นทำมัชากชาฉาถ้าไม่ถามเพอกลุ่มศาสตาก็รู้อยู่เคลื่อนไปบางองค์ก็มาอาราพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้เพราะอายุยืนเอาวิหารกัตตาสุสสาสุา ส, ส, ส, สนีนั่งก็สําเร็จ พระอนาคามีพระเจ้าองค์อื่นแล้วยไปยังจะไปสําเร็จพระอนาคามีต่อกันไปอีกพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนไก็ทากุศลผลบุญเชื่อมกันอยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นผู้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ต้องเป็นพระองค์นั้นสิมันก็มีคําแยกอีกเหมือนกันนะอพระบรมศาสนาของเจ้าของเราแต่ข้างพระเจ้าที่ปังกรนั่ มัน ม, มีหมดตำนานในทางของพุทธศาสนาไม่จนมุมเลยนะเว้นไว้แต่ขี้เกียจพูดเท่านั้นพระพุทธศาสนาน่ะมันมีเหตุผลหมดนเพระพุทธศาสนาสอนดึงแขนออกจากโลกแม่ไม่ใช่สอนให้ฝังอยู่ในโลกอ่ะพอดึงแขนออกจากโลกก็ดึงดึงเอาเลยดึงเอาเลยดึงเอาเลยพวกไหนมันมันไม่ยอมไปก็ทิ้งไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์อื่น คำสอนแต่ละบาทละทละวลบาทดึงแขนออกจากโลกอ๋อคำสอนแต่ละวดละบาทส่งต่อพระนิพ่านหมดแต่เมื่ออาชัยภูเบศกัตะพุญยตาของเขายังไม่แข็งแกร่งก็ฝากไปพระพุทธเจ้าองค์หน้าเนี่ยนะพะุทธกาลมุนาวัตโตโรกูทัพย์โล ก, ลกโปไปตามกรรมมันไม่อยู่ระดับเดียวกันอ่าพวกที่มาค้าดีมันก็เวียงออกกรมค้าหากักไปหมดแล้วโคส่วนไหนอยู่ปากคอก เวลานายโคบานปล่อยโคเท่าก็าตามโคแก่ก็ตามโคหนุม่มก็ตามมันอยู่ปากข้อพอนายโคบานเปิดออกมันก็ออกกอดหมูฉันในกรณีผู้บารมีแก่กล้ามาเลยมันไม่ยอมั้นวันนะมันก็ต้องไปพระเนาพลก่อนเหมือนกัน น, นัยินดีในพระเาานรพลคณะกิจเดียวดียังยินดีกว่าได ใ, ใ, ในโลกลราลนนาศคณะกิจ ทำไมจึงยินดีในพระนาพานทำไมจึงยินดีในการบรรลก็เพราะเห็นทุกข์เต็มตาแล้วทั้งตานอกและตาในไม่มีใครมาโกหกพกทมได้จะไม่มีผู้มาโกหกพกมมุทโธว่าในไตโลกธาตุมันมีสุขอย่างนี้ถ้าเราลระพิจารณาครับแล้วเราก็ปฏิเสธเลยทุกขลาวาฏทุกเกิดแต่ความไม่ซั์ สุขเกิดแต่กายซับวอริโฟทุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นศินสุขเกิดแต่ทํางานที่ปฏษษษษิจจคโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอานิจังเกิดขึ้นแล้วก็แปลกว่านั่นแต่สลายไม่มีอะไรก่รังยังยืนเลยในใต้โลกธาตุถ้ามีสุขถ้ า, มาเมล็ดงาเนี่ยพระรหันก็เบื่อน่ายโลกไม่ได้เบื่อหน่ายความหลขงลของตนไม่ได้เพราะวิญญาณอธิสัตติจะไปอยู่ที่เมล็ดงานั้น เพราะฉะนท่านจึงยันยืนยันว่ารถชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเถิดไม่มีสิ่งที่จะชีดังยั่งยืนเธอทั้งหลายจงพิจารณาทำเป็นจริงเนื้อธนมาโนโท้อพระขวาเอวังบ๊อบหุรังท้าวอเกวินิติเอวังวพังาเฉพาะนัตถาพระวาตโตส้าบอเกสุอนุาสทราบนี้บ๊อบหุะระพวัต ต, ติตติตาหรือหรือตะธรามะ คขว่าเคิขาดว า, าด้รอเปล่ายุ่นยุ่นไปซอกขาอันมัน่อเริ่มไปซอกขาประคดเอวไปประกดเอวไหมมันเฉเรื่มไปทั้นอาจารย์มาฮะฉันโดดกระใส่จันขาดนิเว้ ย, ยเข้าม า, าท่ทาขา น, นขาจารเที่ยวได้อร์พระท่านอาขาแล้วแล้วนี่เขามาเปี้ยนอะไรกัใเอาออกซะ ผมจะเป็นอยางไรพิท <fish> ุนแท้เราเพื่อนเน่ยมู่ร้ายไปไหนกับมันสาปีนี่มีอยู่ธศาสตรามมุมสฮะสามมุสามมุาหเนี่ยคือเงานอนดีเถอะเพิ่งนท่านมหาผมผมขอศึกษาด้วยคัน่ยท่านเป็นผู้เรียนมาก ผมรับตายคือได้ยังไงผมบอกให้ท่านมุงหน้าืเรื่อนี้แถวห้านี่คือบอกผมว่าผมหางที่แท้จะเข้าหาเรื่องแท่ได้ยังไง่าแมนบ่ห้านี่บจักอู้ทาอูวยยคือบ อ, อกผมวมหางเขาบอกพระร้ตัวสุดดื่องแมนไหมเถิกเอันนี้เข้าอยากศึกษาตั ว, วอนุปาตเเสสนผ่านหน้ใจบ่ตอบนะครับเอ๊ <ane> อนุปาท <it> <Huh? S 2> oh, ิเสสนิพานมีใจหรือไม่มาดิใจอไรผมฮะอนุปาทิเสธนิพานอนุปาทิเสสนิพานเอาใจไปด้วยหรือไม่จงตอบให้สมฐานะนักธมเอกมาเดี๋ยวนี้ให้เวลาห้านาทีก็ตอบมาไปนะผมฮะมาตองมาปเพราะเหตุใดเามาดับนักมมีมอมย่างี้ ทำวิจัยไปนั่กับอาจารย์ว่านยังปรดับที่นี่ที่ี่ปนเเี่พนเออถูกดีแล้วทีนี้ขอถามซ่อนเข้าไปอีกว่าใจจัดเป็นนามขันได้หรือไม่เป็นน้ำมาคันก่อนอ่าถูกแล้วถ้าอย่างนั้นใจก็ตกอยู่ในอณิจจังทุกคังอนัตตาเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นลงเอ่ยกันได้เราเอื้อเอ่ยกันได้ทำมะเทามาเาัเป็นยัง แต่เป็นสังขารลูกพูฮะมันเป็นสังขารเียงอันจิตจัาเป็นสังขารเน้อับอฮะนี่แล้ตาว็บมมีขึน่างตพิเนสเร็จเป็นพังานแล้วมนยบแต่ยังบ่ท่านสาเร็จก็เป็นเป็นสาวไปชนิพันธ์เดวถาตายลก็้นอุปัสสัญิพนบมไแน่ยจาใจแฝน่อนบมอนจะปนําเออเพราะมาสมกุลเหมาะสมฐานะนาะ เทาที่ตายนีมาเออคุณหนูคุณหนูอยู่บแม่แนวนอไม่นก็ให้เกียรตกับไปแน่ยไว้ได้แต่บอกแม่นั่บอกเป็นเอ็มยแม่บนอนแอกเิีใจเลยว่าท่านมาหานูเลยสุพอมันษที่ออกมาหากัน่ท่านกูได้วางเลยม่นรอดันรอดหรอกขี้คานรอน้ำเลืดหันเข้าอนี้มันสิตถือ ขังพุทธการเนี่ยฮรขงพุทธกาลพูดงงว้าดูดูบักเตียคนพการนะมันไปหมอบที่พวกเสาไมนไปหมอบยู่ตอนเสามันตากขี้แพะไวรัาเนี่ยกระปูนหนึ่งแบบไงว่าดูหลายมันดีดขา้ากึับขาป้ากึ๊บแล้วก็ญาติคนเห็นเกินชินหมนเอเนี่ยผกี็ดเทาอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> สมกวนเห็นดีเขาจะเขาชั่ววาวชุดเกิดจิตคีแพะซั่งเห็นถือเข้ามาละเข้าค้นว่าดูผุนนางโมฟิเกเตียบ้างดูโมตเมื่อไหร่ประทังอะไเนี่ทํามหาอากาศั้งฝุ่นหนาววะอย่างนี้า่งหนาวคตอนจิมาอ๋อแต่กัว่ามันจะไม่ค่อยหนาวอะไรท คันขันมากสังเกตบ้างดีๆนะความสุกกระจอกกบะมูเห้าอันเนี้ยเฉลือนกันอ๋ออันเนี้มันเตรียมเข้ามาได้ผมเฮ้ยเข้ามันซุกมันคนอเนี่ยซุกคนอันี่ยเขา เอาเงมนปูซุปหนึ่งซุปทอหนึ่งซุปเย็นน่เออมีเงินกับมันมีเงืนห่อนเนาะห่อนเออมันไม่มีัมันเงืนเย็นผมผมไปมักมันเพราะปเบิรมันเออมกดีน่นอนเป็นแบบนี้เขาเาทอาเขาอนของเขาขนี้อหรอมันซุเย็นย็นสบายใจ ถึงคือไม่โจรผู้หลายกระซ้างเงาเพรมันเดี๋ยวยุ่งไมยุ่งไม่ถี่เง่าถ้าไมโจรผู้หลายใชเก่าม่เอาเพราะปนฉีเง่าว่ะไล่กันคนไทยเขาไปปนญี่ปุ่นไม่พอดับเลยครับพี่เห็นไหเห็นเหรอเห็นแล้วพอยูหนีใช่ใช่ทุกคนเราเป็นวัตถุขาดหมดทุกคนเป็นไหมหรือเป็นผมเลย ไม่ไมมแวยไฟไฟเขาบ่หาหรอกมันมันเชียร์เกียรติเขาเขาบ่หาหรอกเพราะว่าอันมันอันมันอ่อนนี่ไมผมอ่าคงอ่อนนี่ตัวเยเนี้ยาแต่ละอันมันกี่ขั้นทุกอีกับเนี้ยอันเดียวใส่ใสนก็ทิ้ง่ ให้เพื่อพระเนรพลอะไรอีต่างประใส่อะลรหลายผอยุ่แต่คนหลายๆฟูเห็นว่าลายผีอกาให้คนไปทรงน้ดไม้ต้องเป็นอยางาต้องบ่อน่าต้มน้ำไปโอ้ควันไปนียว่าต้มต้มดอกคนบ่อดอาดัเย็นสบายออใช่ดงนั้นนิมนไปงน้ำใช่ไหมสุดเป็ีนไม่เบาน้าเมาเนี่ยไปบปานี้แช่อะไรแ บอกปีด้เสื้อูมากเลไหมยงไงเลยไม่ใหญ่ข้าวอ่อไปล้ายๆข้าวอ่อนไปตัวม้วนโอ้ชีไรอย่าอกหัว้วงอยู่นี่เาล่องไปสิเก่งไปไหนยมาตั้งในสิงคโปชาวฮานี่คือกูบ่งชั้ยังแท้วะบออาชีพของผมตั้งอยู่ในตั้งอยู่อเมริกาเกพกนนี้ชาว่านี่บอกขัวม้วนขมังกู คือกลุ่มงใังแท้เราบอกตั้งกลุมันนี้ตั้่ปฏิบัติเพื่อบรทุกเห่ะมันไม่ยังหลายไหนบอกกมูกระวร้ายนเบอกการเท่าภาวน่าเพื่อเดียวเาบนเท่าบนภาวน่าขอต้องสูงแท้เท่าพจานามันจะสักว่ารูกเป็นทศชาติเห็นความเขาลงให้ใจเขาออกเท่าบนฐนบนภาวน่าสูงเท่าพญานาคอยังเท่ากับพจาณาลองสูงอนัตตาเลย แพร่เมตตาที่เกิดจนลงถึงอนัตตาหมดอนัตตาธรรมที่ไม่เกิดไม่หลับที่ไม่มีเวนไม่ไผอนัตตาธาตุที่ไม่เวนไม่ไผไม่มีเวนไม่ไผอนัตตาขันที่ไม่มีเวนไม่ไผนอกต้องผลออกไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลอนัตตาธาตุอนัตตาขันที่ไม่มีเวนไม่ไผดอกเอาพิจารณาลงสัตว่าเราไป็ผู้เมตตาเมตตาเป็นเล่ามันจะมีอุปทานไปอีกนะทำมันไม่มีเวนไม่ไผ อนัตตาธรรมที world, matter, ่ไม่มีวิเนียร์ไปไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สารไม่ใช่บุคคลหรอกพิจนาสักพิจานาอสุภะองมันกันเราไม่ใช่อสุภะอสุภะไม่ใช่เราปฏิกูลธาตุธาตุปฏิกูลต่างหายไม่ใช่สาไม่ใช่บุคคลพิจนารักษรเราที่มหาภานิพานอยู่ในโลกแค่ไหนมันเห็นอีพ่ออีเนี่ยก็เออเพอาะภานิพานเป็นพิบัติยังสมัยโยนโลกนี่ ขันสมมุิพระละหันพระนึกถสมุทเป็นบุคคลาธิฐานนี่ซือพระละหันนี่จิตพิบัตย่างชีมาย่ในโลกโลกมันสื่มืนพระลรหันยังไงพระนางมันยัดเพื่อให้เข้าใจเอ้คืออ๋ามาหาพระละหันในโลกมันสิเหมนว่าอ๋โลกภายในอย่างโลกภายในผมพระละหันเป็นผมขนเล็บฟันนังเอ็นกระดูกเกี่ยกระดูกมามหัวใจตบปังผืดตาปอดใต้ใหญ่ในแล้วอาหารใหม่อาหาเก่านะมันเป็นพระละหันในหัน หาพระในธาตุด like, ินงว่เห็นหลายหาพระในธาตาน่ดีเสลี่น้องเงือกเนือวมันค้นนำตาเปมา่ยมนามาลำมุกนำไข่ข้ําโหมดนะแง่อกล่วอะไรว่เห็นแง่พาหาอะไรบุคคลเขาเห็นอะไรเมื่อว่าจะพระหาี่ยบุคคล่ยเเห็นอะไไฟที่ยังกายให้อุบุไฟที่ยังกายให้วยวายไฟที่เปาอาได้ย่อยนี่ยแยกเป็นธาตุไฟแตว่เห็นว่าเนี่ยเป็นธาตไฟลมพัดขึ้นวมบนลมหาลมเรยลมอวลมพัดลงว่าต่าหายลง หรือถ่ายอุจจ า, าถ่ายเพราะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นแต่สักความลมหาพระรหัส น, นเวทนาเวทนาทุกทุกเบียดขาเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวลแล้วแต่สายไปไม่เห็นพระรหัสเลยแล้วหาพระรหัสนัสัญญารูปะสัญญาัะสัญญากันทนสญญะสัญญารัสสัญญาพระสัญญาธรรมสัญญาก็เป็นแต่สักความจำไม่เห็นพระรหัสแคแล้วนั่นมาเห็นบุคคลเอกนี่ หาพระนาในสังขารปรุงแต่งเกิดก็เป็นแต่สภาวสังขารมาเห็นบุคคลใช่แล้วนี้หาพระนาในเวียญาณจ้ากุวียญาณวิยญาณทางดวงตาเทตวิยญาณวียญาณทางหูาณะวิยญาณวียญาณทางลิ้นทิวหาวีญาณวิญนญาณทางกายชิวหาวิญญาณวิยนญาณทางลิ้นกายยวียญาณวิยญาณทางกายมโนเวิญญาณวิยนญาณทางกายเป็นแต่สภาวิเวีญาณมาเห็น ก็ไม่ว่าแต่พระสารเนี่ยจะบุคคลตัวตนเราเขาก็ยังไม่เห็นพระหาพหาบุคคลตัวตนเราเขาในที่นี้มาเห็นเสียแล้วเนี่ยไม่เห็นเห็นแต่รูปเวทนาทัญญาทั้งขานวิญญาณไม่เห็นเสียแล้วเมื่อหาบุคคลไม่เห็นในขันห้าเนี่ยจะไปหาพระสารในขันห้ามันก็ไม่เห็นข้อขันห้าเป็นทางเดินเข้าสู่พระสารผู้เบื่อนายขันห้ารุดพ้นจากขันห้าจึงจะเป็นพระสารนั่นหาพระสารในจิตมันก็ไม่เห็นจิตก็เป็นแต่สายวายจิตเสียแล้ว จิตถ้าทําถูกก็เป็นทนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทําผิดก็ลงสู่มหาวิจินรกตามชั้นวรณะเหมือนกันก็ศีนสมาธิปัญญารวมลงไปหาจิตนะถ้าทําถูกก็เป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานถ้าทําผิดก็เป็นเมืองขึ้นของนรกอีกเหมือนกันนั่นไปนีน่ชั้นอาานนัากปลุกเลาลารบปลุกไปเลยใช้บอกว่าหาว่าไงไม่เข็ดจรนไว้าอยากมากกว่า <laughs> <laughs> ตอตรงกันโอ้ยจะไปนะสวยคุจะมากูเบียดกันเศ้ามั้่ไได้จะองค์พระจีนวัเท่าเดีเดียวนีัยังจ้าองค์ตัวะสี่วเดียยวนี่หายยุคีนี่ปีกายนี่กลายปีกายหาิปดไป ปบเก็ดปีมันจะมาสาฮะมันเกิดี่คนมาสายวะยา ก, กว่ววกกะเขาว่าจะตั้งไหว้วี่ตีกายไหมติกายมาสายวะมาบอกถึงตีกายอย่า <laughs> <laughs> <laughs> ี้ปปมาาไม่ไีแน่นอนเขาว่จะตั้งไหวเขาว่าจะเขาจะตายเขาบอกอยู่าลูกผู้สอบมันหลายมันหายไปแค อ, องนกงู้สอบเป็คนเราน่อยแต่ล ว่าัางผ่พ่อนหนื่อยดีอ๋อต้องน้อง ย, ย่างในวันไหะย่างแข็งหมดละให้อยู่ใค้อยู่ค่อยค่อยจับมันจะรุมลุมกอนไหนรุมตอนไหนเนยนนอะยๆที่อาหารเนี่ยต้งหมูเนาะเราต้องกินนกถมามู่เราจะสัว่กับเนี่ยพอบรมศาศาสต ร, ราก็สอนหนึ่ง้วดยอกย่องับถือว่าเป็นภรรยา สองด้วยไม่ดูหมินสามด้วยไม่ตัดสิทธร่วมใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแตงตัวนั่นขบรมศาสต์เวลาสอนสอนสามีทีนี้อันนี้สอนสามีสอนภรรยาหนึ่งจัด ก, การงานดีหวยกับาลาราคเขาเขาปรเทศมันกบเมีนสองสองเคาะคนข้างเคียงของผัวดีคนข้างเคียงของผัวมาเป็นเิตรเป็นสาขาดีอย่าทําหน้าบูดบึง้ง มีอะไรก็หาให้อยู่ให้กินให้ใชาให้สอยมีหน้าก็ให้น้ํามีข้าวก็ให้ข้าวมีที่นั่งก็ให้ที่นั่งผมก็ความค้างเคียงของัวดีไม่ประพื่อล่วงใจผัวถึงความกว้างอันนี้รักษาทรับที่ผัวหามาได้ไว้มีความกว้างไม่ขยันขยันไม่เกียวกับข้ามในกิจการทางบวงนะถ้าผัวกับเมียมีข้อวัดคนละห้าข้ออย่างนี้การทะเลาะเบาแวงจะมาฉากประตูไหนก็ไม่มีนะ ในระหว่างพิรามานาพระบรมาสารีราคุณสอนสอนลูกหนึ่งท่านได้เรียกมาแล้วเรียกท่านสอนสองทำกิจธุระของท่านสามดำรงวงศระกูลสี่ประพฤติตนินคนคว ร, รทรัพย์มรดกมรดกแต่ก่อนมันเป็นตัวดอยพระาเดี๋ยวนี้เป็นดอยอดีก้าเมื่อท่านรองรับไปแล้วขมวดมือที่ไทท่านส่วนท่านลงทุนกับเราแล้ว หนึ่งท่านเรื่องเรามาใหญ่โตโหถานแล้วอันนี้เป็นคุณอันพิเศษนี่ถ้าไม่พอทาก่อนชั่วแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปภเวทยาหาภรรยาและสามีที่สมควรให้หมอบทรัพย์ภายในสมัยพระบรมศาสตราสอนเรื่องข้อเมตพระบรมศาสตราข้อสอนสอนชาวโลกต้องพริสุทิสมเมันข้ามมาแล้วอันนี้ มิตรแท้สี่จำพวกนี้มีมีอุปการะมิตรร่วมสุร่วมทุกขมิตรแนบประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรมีอุปการะมีลักษณะสีป้องกันเพื่อนผู้ประมาณแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาณแล้วเมื่อมีใครเอาเป็นที่เพ่อนทำรักได้ขยายความรักของตนแก่เพื่อนปิดความรักของเพื่อนไว้แฝงฝายไม่ละทิ้งในยามไม่บัติ แม่ชีวิตกู้อาคตระแทนได้มิตรมีความรักใคร่มีรักษาศีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยสุขก็สุขด้วยโซ่เทียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนรับรองคนพูดสารเสริญเพื่อ น, อนมิตรที่จาพวกนี้เป็นมิแค่ขวดครบมิตรปีิรูปคือคนเทียมมิตรควรครบหนึ่งคนปลอกร้อสองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจกสี่คนชักชวนในทางที่หาย คนสี่จ๊ะพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมิตรไม่ควรครบเนอคนฟอกลอกมีลักษณะสี่คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้เพื่อนน้อยคิดเอาของเพื่อนมากเมื่อมีภัยแก่ตัวจึงไปรับทํากิจธุระช่วยเพื่อนเพื่ออยากขอสตางคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอันนี้ก็ไม่ควรครบคนหัวคนหัวไปจกมีลักษณะสี่เขไม่ควรครบหนึ่งจะทําดีก็คล้อยตาม สจะทำเชือกคล้อยตามสาต่อหน้าว่าสาังกระเซินสี่รับหลังตัง้งเลนทานี่ก็ไม่ควรครบคนชักส่วนในทางชิบหายก็มีลักษณะสี่ส่วนดื่มน้เาเมาชัส่วนเที่ยวกลางคืนส่วนให้มองเในการเล่นชัส่วนเล่นการพนันมิตรสีจัมพ์พวกนี้เป็นมิตรเป็นคนเชียว ม, มิตรไม่ควรครบทุปรมศาสรา ศ, า ศ, าศานแต่พวกเราครบมิตรก็ต้องดื่มสุราสิผีบ้าครบทุกัน ที่นี่ในระว่าค า, าวาสกับพระพระบรมกรรษัสลาขวสอนทีนี่สอนค า, าวาสหนึ่งด้วยกา ย, ยกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้าบ้านเรือน คือห้าไมไให้เข้าบ้านเรือนจริงความกวาม้างเน อ, อท่านคัดข้องอะไรก็บอกพวกกระผมมาหรือเรียกว่าเปิดประตูทางกายทางวาจาทางใจพวกกระผมหรือพวกวิสขันจะทาตามคำแนะนำในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยห้ามไม่ให้เข้าประตูห้ามไม่ให้เปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนหมายความว่าหมายความหลายอย่างเ ป, เปิดประตูทางกาย เปิดประตรูทางวายกาเปิดประตรูทางใจให้ท่านสะดวกสบายไม่เห็นแก่เพ่งโทษหน้าเดียวข้อห้าด้วยให้อเมตสถานตามเชิี่กำลังเข้าเมทรับพักเช่นหนึ่งทีนี้ส่วนที่ค ส, สามเณที่จะทำต่อค่าวว่าหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันพอสมควร ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่ข้อหกบอกทางสวรรค์ให้นับอุปเลี้ยมเทศคือทิศดังท้ายเม็ดคนละบรพึงบารุงด้วยสถ า, านห้าหนึ่งด้วยให้ปันสองด้ยเจรจาทอดคําพ่ละสามด้วยปร ะ, ะ 3, พฤติประโยชน์สี่ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอห้าไม่ได้แก้งกล่าวให้ข้าจากความจริงและนับถือตลอดถึงวงของเม็ตร พระพุทธศาสนาสอนหมดเนี่ยสอนสักสการะว่าพวกเธอทั้งหลายไม่ต้องการบวชก็ไม่ต้องบวชหรอกพวกเธอทั้งหลายสามารถถึงพระสวสดาบานถึงพระสักรธาคามีถึงพระอนาคามีถึงพระอรหันต์อยู่ถ้าเธอไม่บวชก็ดีแต่เป็นพระอรหันต์ในทางคารวสไม่ได้อยู่เกินเจ็ดวันต้องสิ้นลมปานเข้าสู่พระานไปซะเพราะ ฐานะของฆราวาสไม่เป็นฐานะของพระอรหันต์จะไปอยู่จนสิ้นจนจนสิ้นชีวิตเนี่อธิ ษ, ษฐานเข้าสู่พระญานพานไปส่วนพระอนาคามีพระสกทาคามีพระสวัสดิวันจะอยู่ในฆราวาสจนสิ้นอายุไขัยนะเพืใดอยากถึงพระสวัสดิวันผู้นั้นอย่าเสียดายล่วงละเมิดศส้นห้า อย่าเสียดายเล่นอบา ย, ยมุกอย่าเสียดายขอดเวนท่านผู้ใดถึงจะโกรธสักเพียงไหนก็ตามอย่าไปขอดเวนถ้าเคยได้ทะเลาะวิวาสเขาเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้เล่ากันไปซะเราจะไม่ขอดเวนกับท่านผู้ใดเลยถ้าหาว่าเขามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไปซะแต่เราโกรธอยู่ไม่ถึงกับผูกเวนนั่นภูมิปัตสดาบันกูไม่ได้เมืองท่านนี่กูจะเอาเมืองท่านั้น กูจะไม่ได้มึงฆานั่นกูจะเอามึงท่านี้อย่างนี้ไม่ใช่พระสรดาวันอันนั้นเพราะมันจะบันลงนรกและไม่ยอมถือศาสดาอื่นด้วยเวยมทมณ์กนละคาถาอยู่ยงคงขพันธ์ก็ไม่ถือเลิกดียามดีก็ไม่ถือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งเดียวเก็บป่วยมาก็ไม่กล่าวตูวว่าผีมาทำเข้าโรงพยาบาลหรือรักษายาสมุนไพร หายก็าหายไม่หายก็าตายคาภาวนาพุทโธนั่น น, นั่นภูมิปันหรือตายคาภาวนาอันใดอันหนึ่งเช่นพิจารณาทุกขังอนิจจังอนัตตาหรือกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเป็นต้นนั่นมีขอบเขตอยู่อย่างนั้นไม่เสียดายอยากเล่นอวาัยามุฒถ้าเสียดายอยากเล่นอวายามุฒิอยู่มุขะมุขะก็แปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งฝากทำที่พระพุทธศาสนา เหนือายโลกธาตุคำสอนมีอยู่สองข้อการปกครองโลกมีอยู่สองข้อพิริความละอายต่อบาปโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปนี่ทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างถ้าชาวโลกไม่มียาอายต่อบาปชาวโลกไม่มีความกลัวต่อบาปกฎหไมยกัดหมูกัดพัก ก, ดพกกัดพวกกัตั้งไม่อยู่ อู๋ของทำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนั่นขยายออกไปอีกเพียงศีลห้าก็สงบแล้วถ้าชาวโลกมีศีนห้ามีน้ำซ้ำพระบรมศาสด า, ศายังห้ามชาวโลกในการค้าขายอีกค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นและนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหาร ค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ชาวโลกย่าพากันประกอบเนอะเดี๋ยวจะทะเลาะวิวาดกันรบดาค่าฟันกันตายไม่มีกลางวันกลางคืนละพระบรมศาสดาสอนนั่นมีตะเกีนทั้งนั้นชาวโลกใครจะอวดดีสักเพียงไหนก็ตามเถิดไม่เสี้ยวพระบรมศาสดาดอกศาสนาพุทธมันเป็นโลกุตรรศาสนา บันทิโตครมาวสังบันทิตเป็นผู้คลองเรือนไม่ชิบหายแน่ถ้าเอาคนพามาคลองเรือนมาคลองเอรองเือนก็ชิบหายบันทิตคลองเรือนคืออะไรก็คือผู้มีศีลห้าบริบูรณ์มีถึงเป็นผู้ถึง พ, พระพุทธธรรมพระสงค์เป็นผู้มีทานศีลภาวนารักไข่ในพระพุทธธรรมพระสงค์ทรามาหาเลี้ยงในชีวิตในชาี่ชอบนั่นแหละบันทิศผู้คลองเรือนนับแต่พระสวดวันไป คำสอนใดๆของชาวโลกที่ปีนเกลียวพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดนั่นนั่นนั่นผู้ที่ถือว่าไม่มีบาปไม่บุญเขาไปรอดไหมนั่นนั่นนั่นแต่ก็เจองงินไปแล้วนั่ น, น, นพูดตามเป็นจริงไม่ประมาเลยไม่เกรงใครจะมาฆ่าโป้งเดี๋ยวนี้ก็ยอมตายเลยเลือดทุกหยดบูชาพระพุทธศาสนาะ ไม่งอแย่นคอนเคลเลยบางท่านพูดว่าเข้าบ้านเข้าเมืองก็ต้องหลิวตาสิ mm hmm. ก็ถูกอยู่ไม่มีประโยชน์จะไปหลิวทำไมเป็นบ้าหรือ mm hmm. ชาวโรคเขาพาถืออะไรก็ถือสิ mm hmm. มาแรงวันพากินมูดกินพูดทำไมมาแรงพึ่งไม่ไป mm hmm. นั่นของใครของมัน แมลงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าโรคพาเป็นมันก็บอกว่าของทิพมันโรคทิพมันแมลงพึ่งมันก็บอกว่าของทิพมันโรคทิพมันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยมันไม่ไปเลยนั่นเราได้คนไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นเพื่อนตั้งล้านๆคนก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเท่าที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นในสังคมหนึ่งจะมีนักปราชญาคนเดียวก็เป็นที่อบอุ่น ในสังคมนั้นๆถ้ายิ่งมีมากก็ยิ่งอบอุ่นมากสังคมใดถ้าไม่มีนักปราชญ์เลยมีแต่คนพานก็จะก็ฆ่ากันชุนลมูนกันพูดกันยังไม่พอสามคำโป้งเลยละนั่นเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนาะพระพุทธศาสนาะลดตำแหน่งลดเครื่องอาวุธเวรไยัยเช่นฟานาธิบาทก็ลดอาวุธ เช่นทีนินชินนาทานก็ลดความเดือดร้อนลดอาวุธอันไม่ดีอาวุธอันที่เป็นพานให้ปลดออกแล้วก็ให้สวมอาวุธที่บริสุทธิ์เข้าคือเว้นจากฆ่าสัตว์รักษรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดสมัมหยาบเว้นจากพูดโพชเชอเว้นจากดื่มสุรามีไรนนปลดอาวุธออกแล้วเอาอาวุธธรรมวินัยเข้าสู่สินไส่เท่าสองสังสองออน เสร็ดล้วงเข่าในคุมควงามานเาสร็จล้วงเข่าในคุมควงมานท่องสองสองอ่อนไหมเนี่ยเอาทํากับไปพาเวไนยฮะมันส่งไส้คิดใส้ใจฮะเสร็ดล้วงเข่าในคามาุมควงม่านม่านมันตั้งอยู่ว่างคิดว่างใจไล่ขามันออกตามสศรษฐีกาลังทําอะไรก็ทําให้ใจเชอ่ใจเป็นผู้พาทำทําดีแล้วก็ไปอยู่ที่ใจทําชั่วแล้วก็ไปอยู่ที่ใจไม่ไปอยู่ที่ดินฝ้าอากาศงั่น มัทเธอร์อัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจมีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจไม่มีอันไรจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไรจะปฏิบัติใจใจเท่านั้นเบียดเบียนใจใจเท่านั้นปฏิบัติใจใจเท่านั้นจะรู่รอบใจนั่นใจเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของใจพระผู้เป็นเจ้าก็คือสอนใจให้เป็นที่พึ่งของตนพระบรมศาล า, าสอน ใจของพวกเธอมีอยู่ไม่เป็นบาปาเสียเฉลียผิดมนุษย์เราจึงมาสอนเธอขอให้พวกเธอพิจารณาเหตุผลสิ่งไหนที่ไม่ควรพวกเธออย่าไปทําสิ่งไหนที่ทําแล้วมันเดือดร้อนสิ่งนั้นพวกเธออย่าไปทำเถิดสิ่งไหนที่ทําแล้วเป็นที่สบายใจใพวกเธอจงทำซะนี่เป็นเครื่องทดสอบของบาปนะแต่ผู้ฉล า, าดไม่หาเป็นเครื่องทดสอบด้วยรู้จั ก, กว่าไฟแล้วก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องทดสอบ รู้จักว่าขี้แล้วก็ไม่ต้องไปจับเพราะมันเหม็นรูน้จักว่าสิ่งไม่ที่ไม่ดีนะไม่ต้องทําไม่ต้องทดสอบก็ได้เพราะมารู้จักอยู่ไม่มีสงสัยใดๆ ใ, ใ, ใ, ในคําสอนว่าพุทธศาสนาเลย เ, ออเพราะกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ชุดท้ายนักที่อื่นศาสนาอื่นบัญญัติบาปบุญไม่ถูก สิ่งที่เป็นบุญบัญญัติว่า yol, เป็นบาปก็มีสิ่งที่เป็นบาปบยัตบัญญัติว่าเป็นบุญก็มีบาปก็คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์บุญก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์บาปก็คือทุจริตบุญก็คือสุดจริตบาปก็คือสิ่งที่ทําดีบุญก็คือสิ่งที่ทําชัว่วมีความหมายอันเดียวกันส่วนจะน้อยละมากขึ้นอยู่กับการทําน้อยละมากทําบาปแล้วไม่ประสงค์ได้รับก็ได้รับตามส่วนควรค่าข อ, ของเขาอง ทำบุญแล้วไม่ประสงค์จะได้รับก็ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุทำดีแล้วก็ไหลามาเข้าข้อกใจทำบาปแล้วก็มาไหลามาเข้าข้อไกจศีลใจมีตัวเดียวศีลตัดศีลตัดศีลศีลตัวเนี่ยต น, นหูสะกดศีลนั่นตัวสตาสราสลีลอริงศีลนั้นจงทำให้แน่นเหมือนศีลาอย่าไปหวั่นไหวข่าสัตว์รักษาเพื่อพิิในกาลว่าอย่างนั้น ปานาที่ปาตาชีวิตของสัตว์มันเป็นปราณอันหนึ่งปานาปานาตัวนี้เป็นตัวนอนีนตาเวเป็นข้อห้ามเวรบณีเว้นแล้วในเวนอันนี้สิกขาประทังสมาธิยามิเป็นสิขาบทหนึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ดวงใจอันอื่นๆก็เหมือนกันตกลงศิ้นท่าก็เป็นศีลตัวเดียวเป็นเชือกท่าเกลียวรวมลงอยู่ที่ใจนี่สิ้นท่าประการนี้ คารหัตควรรักษาเป็นนิดนั่นการรักษาศีลถ้าไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดมันก็ไม่นักอะไรที่มันหนักก็เพราะมันเสียดายอยากล่วงละเมิดการเล่นเร่เล่นผาเหมือนกันถ้าเห็นว่ามันชิบหายดิ่งลงไปแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากจะเล่นที่มันเข้าใจว่ามันจะรวยบ้างเพราะเหตุใดเพราะจิตยังไม่ถึงพระสสดาบวันก็สาคัญว่ามันจะรวยถ้าจิตถึงพระสสดาวันแล้วจะเอา ซับเต็มแผนฟ้าแผ่นดินมาให้มันเข้าใจผิดมันก็ไม่เข้าใจผิดนั่นน่นคนเราทําไมจึงมีนี้มีศินทัวสร้างใจโลกทามันมาจากที่ไหนมันก็มาจากอบายามุกทุกประเภทนั่นเองมุกกะมุกะแปลว่าชิหาอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนั่นอบายามุกมันเป็นมนุษย์ดวยบัติมันไม่ใช่มนุษย์สมบัติถ้าเป็นมนุษย์ดวยบัตรแล้วมันก็เป็น สวรวิบัติมันก็เป็นพรหมวิบัติมันก็เป็นพระนิพาลวิบัตินั่นอยู่ในตัวพระวิบัติแต่เบื้องต้นเนี่ยมันก็นวิบัติอันนี้คําสอนอันนี้เป็นคําสอนตื้นๆโน้คาสอนชุดท่ายสอนให้เบื่อหนา่ายใครมาในวัดตสาสงสารอีกนั่นไม่ให้มาท่องเที่ยวในวัดตสาสงสารคําสอนเบื้องต้นเป็นคําสอนตื้นๆถ้าไม่อย่างนั้นจะทํามาหายังชีวิตไม่ชอบจะปฏิบัติสินธรรมไม่สะดวก ฉะนั้นจึงสอนด้านคองชีพเสียก่อนพระพุทธศาสนานั่นนั่นนั่นเอละเอวังจะไปฉันอาหารที่นี่ผู้ขี้โรคอาหารไปพระเนานไม่ได้หรือขี้โรคบันอื่นก็เหมือนกันจะมาต่างจังหวัดมาไกลมาใกล้กลสักเพียงไหนก็ตามก็ให้ถือว่าเป็นชาวพุทธเสมอกัน ก็เบาใจเท่านั้นวาิวาปุราปิปุเรนติสะังเอวมีวายโตินังเปทานังอุปกปิอิจิตังปฏิจังตุมังเขปมิเวชมิเขตุสเปปุเรนโตสังกปจันโปนรโสยะถามณีโติละโสยะถาเตโ ตา นเดียวคือยังไงคือปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ทานลักศินรักษาสินพอนาะเพื่อคนทุกข์ในวัตจักรสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี่เกตนาเป็นชั้นที่หนึ่งเกตนาชั้นที่สองปฏิบัติพรหมจาร์เพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติเป็นลําดับในอนาค ต, ตการ น, นั้นเถิดนี่เกตนาชั้นที่สอง เจตนาชั้นที่หนึ่งพวคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารในปัจจุบันในชาติปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมอันใดที่พิจารณาตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดท้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลือข้าพเจ้าทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดท้นตามเป็นจริงโดยไม่เหลืออยู่ทุกว่าเธอนนี่เจตนาชั้นที่หนึ่งย่นลงมามีสองเจตนาเท่านั้น เยตนาชั้นที่สองก็ในอนาคตการนั้นเกิด อ, อนาคตการนั้นเกิดาเตนาชั้นที่หนึ่งก็คือปฏิวัติในชาติถ้าว่าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัทสงสารปัญหามันก็ไม่มากปัญหามันก็มีนิดเดียวถ้าเพื่อราบเพื่อยศเพื่อสรรเสริญเพื่ออะไรต่ออะไรในวัฏสงสารปัญหามันก็มาก ถ้าเห็นภายในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่แล้วปัญหามันก็ไม่มากมันก็ดิ่งจิตใจก็ดิ่งจองพระเนรพลเลยเอาละเอวังทีนี้